เราได้กันเทศกันหนึ่งมาไว้ที่ตวงหน้าให้เป็นพยานของแต่ละคนละคนซึ่งมีความเป็นเช่นนี้เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงจแสดงไว้ว่ามรณะธรรมมิเมื่อนังอนัตตีโต เรามีความตายประจำตัวตะพ้นความตายไปไม่ได้เป็นแต่ว่าก่อนหลังกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะพอดีบเลี่ยงไปได้มีทางเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ทำเชื้อของมันที่เป็นเหตุให้เยิน่ายตายเกิดซึ่งมีอยู่ภายในจิตพาจิตให้หมุนเกิดหมุนตายนั้นออกเสียโดยสิ้นเชิงผู้นั้นก็เป็นอันว่าพ้นแล้วจากคงแห่งวัฏจักรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าลุกขัางนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด คือไม่เกิดเอารูปเอานามซึ่งเป็นตัวภาระอันใดมาแบกบมาหามเหมือนโลกทั่ ว, วไปก็เป็นความสุขอย่างยิ่งเรื่องป่าชาติมันจึงมีในตัวของเราเอาไปฝังที่ไหนเผาที่ไหนเพราะว่าป่าชาติที่นั่นความจริงมันก็เป็นป่าชาติอยู่กับตัวของเราเองก่อนแล้วเพราะมันเกิดที่นี่มันก็ตายที่นี่ ทุกข้อความเกิดความแตกความเจ็บความตายทุกขาะความเกิดนั้นเราไม่มีสติพอที่จะทราบได้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ขนาดไหนในขณะที่เกิดเราพอทราบสถานที่อยู่ของเราก่อนที่จะลอดออกมาหรือว่าคลอดออกมานั้นเราอยู่สถานที่เช่นไร สถานที่เะนั้นอย่างปกตินี้เราจะไปอยู่ได้ไหมสมมติว่าท้องของแม่น่ะกว้างขวา ง, วางใหญ่โตยิ่งกว่านั้นพอที่จะบรรจุเราได้ขนาดที่เราเป็นเราอยู่แล้นี้และท้องแม่ก็ให้โตสามารถบรรจุนี้ได้เราก็จะอยู่ไม่ได้นะตอนนั้นเราก็เล็กอยู่ในท้องแม่ สถานที่อยู่เป็นยังไงและเวลาตกคลอดออกมาจากช่องแทบเป็นยังไงเขาเรียกว่ารอดตายถึงได้เป็นมนุษย์มาได้คำว่ารอดตายก็คือว่าทุกข์รอดมาไหวก็ไหวไม่ไหวก็ตายนั่นท่านเรว่าชาติปิทุขานี่ท่านพูดตามหลักธรรมชาติแห่งความเป็นมาของแต่ละสัตว์และบุคคล ในขณะที่เกิดก็เป็นความทุกข์อย่างนั้นแต่เราบ้านเนมองดูความทุกข์ของเด็กในขณะที่เกิดเสียเป็นแต่ความยินดีเพื่อเพลินวลาว่าลูกเราเกิดเป็นหญิงหรือเป็นชายส่วนได้ดูว่ามันเป็นความทุกข์ร้อนขนาดไหนสำหรับเด็กคนนี้ขณะที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ได้คิดเราคิดแต่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วก็ดีใจทั้งๆที่ลูกเั้นสลบสลายไปเพราะความทุกข์ในการเกิด เทราปิทุขาเราก็ทราบแล้วที่แรกก็มีสองขาขั้นต่อมาก็มีสามขาคือไม้เท้าอันนี้เพื่อพยุงตัวเพียงลาพังสองขาไปไม่ไหวต้องเอาสามขาเข้ามาช่วยไม้เท้าไปไหนก็ต้องอาศัยไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงทามากยิ่งกว่านั้นมันก็ต้องสี่ขาคือต้องกานไป เท้าสองแสนสองาสองแสนสองอะไงคานไปตามบ้านตามเรือนนอนจมมู่จงพูดตัวเองอยู่นั้ น, นเมื่อแต่เต็มทีแล้วนีชลาดปิดทุกขาพายามปิดถุกขังขนาดที่จะตายก็แสดงความทุรนทุราคือทุกบีไเชียจนทนไม่ไหวว่า ง, งั้นเถะนะเมื่อทนไม่ไหวแล้วก็ตายน่น พระพุทธเจ้าท่าสอนว่าผิดที่ตรงไหนเพราะสอนตามหลักความจริงเนื่องจากรู้ตามหลักความจริงสอนโลกจะผิดไปได้ที่ไหนไม่ผิดหากผู้ฟังพิจารณาตามที่ท่านสอนแล้วสิ่งที่ควรเห็นโทษก็จะต้องเห็นพยายามแ บ, บวกไหวตัวเองจนกรทั่งจิตมันผ่านพ้นไปได้ทั้งๆ ท, ที่มีธาตุมีขนนันดุกอรู้ภายในตัวเอง ว่าระหว่างขันกับจิตไม่มีความสืดต่อหรือยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกาันจิตเป็นจิตร้วนล้วนขันเป็นขันล้วนล้วนไม่มีอะไรมาปกคุมห่มห่อหรือกดขี่บังคับแต่ก่อนขันเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจเนื่องจากขันเป็นเครื่องมือของกิเลสผู้บังคับจิตใจของสัตว์โลกเมื่อกิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นสุดไปจากใจแล้ว ขันก็หมดความเป็นเครื่องมือของสิ่งเหล่านั้นแต่ขันที่แสดงอยู่ตามหลักธรรมชาติก็แสดงเป็นความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาของเขาจิต ท, ที่รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ไปแบกขามความสุขความทุกข์เหล่านั้นจริงเรียกว่าขันก็เป็นขันล้วนๆไม่มาเป็นเราเป็นของเราไม่มาฆะฆ้าวกันให้เกิดความทุกข์ความลำบาก มีขันก็มากลายเป็นเครื่องมือของกา ร, การทำประโยชน์แก่โลกเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจับสรุแล้วขันก็มีอยู่โดยสมบูรณ์ก็ทรงอาศัยขันนั่นแหละเป็นเครื่องคิดอาคิปรุงแต่งอัดรมจำได้หมายรู้สแสดงทำแก่สัตว์ตามกำลังความสามารถของสัตว์ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรทรงอาศัยขันเป็นเครื่องมือของธรรม แต่ก่อนขันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลตมันบงการไปในแง่ไหนก็ต้องเป็นไปตามทีนี้กิเลตประเภทต่างๆนั้นได้สิ้นศูนไปหมดแล้วทำปรากฏขึ้นมาแทนที่ทำจึงขันจึงเป็นเครื่องมือของธรรมสําหรับทําประโยชน์แก่โลกจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายคือขันจะลายหรือธาต์แตกนามดับแล้วก็ปล่อยลงตามความจริงของเขาใน สมมตินั้นนั้นเพิ่มธาตุสื่อยินน้ำลงไฟก็ลงไปตามสภาพเดิมจิตที่ได้หลุดพ้นแล้วโดยหลักธรรมชาติตั้งแต่วันบรรือวันกัจสะรู้ก็ต้องเป็นจิตที่พ้นแล้วโดยธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนับตั้งแต่ขณะที่เดจจารุสู้หรือบรรลุธรรม ปุนี้ไม่อยู่ในใต้ความกดขี่บังคับของสินใดบรรดาที่เป็นสมมุติทั้งโกดเตือนตัวของตัวล้นหลวนแต่คำว่าตัวของตัวในสถานที่นี้นั้นโลกอาจจะแยกอาจจะหมายว่าเป็นตัวของตัวอย่างเหมือนโลกที่เป็นแต่ธรรมประเภทนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหากไม่พูดเช่นนี้ขึ้นมาโลกก็ไม่คาดหมายไม่ถือก็ต้องว่าเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนะ ไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอันใดต่อไปถึงเมืองพอธรรมชาติที่พอที่เต็มบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเนี่ยพอผ่านออกจากขันแล้วที่นี่เราจะพูดอะไรต่อไปอีกก็ไม่ได้เพราะไมอ่อาศัยสมมุติอยู่แล้วคือเป็นธรรมชาติทั้งตนเอง ขณะที่อาศัยสมมติอยู่ก็พอทราบได้ว่าจิตเวลานี้ได้เกี่ยวข้องกับอะไรยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าจะปรินิผ่านขณะที่ทรงดำเนินฌานต่างๆเพื่อการปรินิผ่านพอพระองค์ตามลวดลายของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสนาเอกของโลก ก็ทรงเข้าปฐมฌานนะปฐมฌานรุติฌานตาเตียฌานเาจตุวิฌานที่เรียกว่ารูปฌานสี่และอรูปฌานสี่คืออากาสานัญจาจตนะบินญาณัญญาชนะอาจินจัญญาจตนาเนสัญญานาสัญญาจตนะและสัญญาเวทะยินนิโรธเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสมมติทั้งมวลพระพุทธเจ้าแม้พระจิตจะบริสุทธิ์ เต็มภูมิแล้วต่างเวลาเสด็จเข้พาพาดพิงกับสมมุติขั้นใดก็พอจะทราบได้ว่าเวลานี้พระจิตของพระพเุทธเจ้านั้นกำลังเข้าสู่ปฐมฌานน่อคือปสมฌานนี้เป็นสมมุติขั้นหน่งเข้าสู่ตุติฌานกำลังเข้าสู่ตุติฌานเข้าสู่จตุตะฌานและเข้าสู่อรูปฌานสี่ ได้แก่อากาสารัญจายตนะแล้วเข้าอาจินญายตนะเข้าอากาสารัญญาวิญญาณมัญจาญตนะอาจินญายตนะแล้วเข้าเนสัญญาณาสัญญาตนะแล้วก็เลยเข้าสัญญาเวทไสโลดดับประงับสัญญาและเวทนาทั้งหมดยับยัง้งอย่างนั้นพระนุทะ สามารถทราบตลอดระยะการ่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ในฌานไหนนางพระสงถามท่านซึ่งต่างองค์ก็นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหลเพราะบางองค์ไม่ทราบพอท่านเข้าถึงสัญญาเวทายตัณฑ์รวดซึ่งดับไปหมดอย่างนี้ก็ถามพระนูทะเพราะท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพระราคิตวิชามากถึงกับต้องได้ตั้งเอตุลคะคือเลิศในทางรู้จักรู้วาระจิตของผู้อื่นเด่นกว่าบรรดาสาวพระหลายว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วหรือพระนุทัท่านไม่ได้เข้าฌานอะไรเพราะท่านชำานาญพอถ้าบอกว่ายังนั่งฟังดูเวลานี้กำลัง เข้าสัญญาเวทยยตานิโรธนะพ อ, อ, อกจากนั้นก็เวลานี้กำลังย้อนถอยลงม า, ารูปอรูปฌานสี่คือเนสัญญายณนะแล้วถอยลงมาจนกระทั่งถึงปฐมฌา น, นเวลานี้ออกจากปฐมฌานลงมาสู่ค่าจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาไม่ทรงเข้าฌานใดก็บอกว่าเวลานี้ถอยลงมาจากปฐมฌานแล้ว เป็นพระจิตที่บริสุทธิธ์อยู่ธรรมดาจากนั้นก็เคลื่อนย้ายเข้าไปอีกเวลานี้กำลังเข้าปฐมฌานอีกแล้วุตเตียฌานตะเตียฌานจ้าตุติฌานพอเลยจากจ้ตุติฌานซึ่งเป็นสมมุติส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าอากาสารเจรณะนะซึ่งเป็นสมมุติอีกด้านหนึ่ง เรียกว่ารูปประชานอรูปประชานแต่ทรงปริพันในถ้ากลางแห่งฌานทั้งสองคือรูปประชานอรูปประชานต่อกันพอจากกันแล้วพระอุทะไม่พูดอะไรตอบอีกเลยพูดได้แต่ว่าเวลานี้ปริพันแล้วคือพ้นจากจเจตวิญญานออกไปรก็เวลานี้ปริพานแล้ ว, ออ เ, ว, ลลวเท่านั้นแล้วพระจิตของพระเจ้าเป็นอย่างไรนั้นไม่มีสิ่งพาดถึง พอจะพูดได้เลยว่าอยู่สถานที่ใดไม่เหมือนอยู่ในขันอยู่ในขันอยู่ในชานซึ่งเป็นสมมติล้นลวนนี่แหละธรรมชาติที่พูดไม่ได้นั่นแหละเข้าสูมม่นิพพานแต่ไม่ใช่เข้าสู่ความสูงดั่งที่โลกสูงกันในเรื่องของจิต ผู้นี้แหละผู้ที่เยี่ยนไหวาตาเกิดไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะเป็นนักท่องเกี่ยวเหมือนจิต ด, ดวงนี้ที่มีเครื่องทําให้ต้องเกี่ยวซึมซาบอยู่ภายในจิตหรือเป็นเชื้อแห่งวัฏจัอยู่ภายในจิตจึงต้องหมุนทําจิตให้หมุนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ถึงสอนให้สร้างกุศล คีอคุณงามความดีเพื่อจะเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามหรือคติที่เป็นสุขเหมาะสมแม้จะได้ท่องเที่ยวอยู่ในวะตะัตฏะเพราะยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ก็ต่าง<ม>ก็ขอให้มีคุณงามความดีคือบุญกุศลที่จะสร้างวันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนหรือพยุงให้มีความผาสุขสบายในภพนั่นๆ ดีกว่าที่จะเสวยตั้งแต่กองทุกโดย่ายเดียวเพราะอำนาจของกิเลสพาสร้างพาทำพาให้เสวยเมื่อเราสร้างมากๆอํอำนาจแห่งกุศลนี่แหละก็เป็นเหมือนกันกับน้ำอันสะอาดค่อยชะล้างสิ่งที่สกปรกรอกลุงมดังอยู่ภายในจิตใจให้ค่อยหมดไปจางไปจางไปโดยลำดับลาดับเมื่ออานาจวาสนาเพราะ การกระทําความดีอยู่โดยสม่ำเสมอจนเต็มภูมิแล้วก็สามารถชะล้างสิ่งที่สกปรกอันพาให้เย็นว่าจายเกิดนั่นได้โดยสิ้นเชิงถึงขั้นแห่งความรู้สุดเต็มที่เข้าในหลักธรรมว่าบุคคงนัตถิอาชาตัดสัหมดกันสถีอันเรื่องกา ร, กรเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องแบบกองทุกนี้นาน เราทุกคนเป็นความเคยชินคือเป็นความเคยเกิดเคยตายมาด้วยกันจึงให้ทราบว่าเรื่องเกิดเรื่องตายมันมีอยู่กับตัวของเราแม้จะจําไม่ได้ก็าตามความจริงบ่งอยู่แล้วอย่างชัดชภายในจิตท่านผู้สอนก็คือพระพุทธเจ้ากู้ทรงรู้ทรงเห็นความจริงเหล่านี้ของศาสตร์โลกอย่างแก่นแจ้ง ชัดเจนในพระไถ่การเกิดการตายเป็นเรื่องหมดธรรมภาพอแห่งความทรงอยู่ของขันธ์แล้วก็ต้องตายไปอยางสุนักที่เราเห็นอยู่นี้เป็นต้นเกิดมาก็าได้สิบเดือน1ิบเอ็ดเดือนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้าขมาเกี่ยวข้องเข้ามาเแบบย่ำทำลาย จนไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ก็สลายตัวไปจิตใจก็ออกร่างอันนี้ก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเช่นเดียวกับสัตว์ ท, วทั่วไปมันมีลักษณะแตกต่างกันเลยเราทั้งหลายได้นำไปเป็นขดติดโลกอันนี้มันเป็นโลกเกิดตายใคาจะอยู่ที่ไหนไหนมันก็เหมือนเหมือนกัน เมื่อเราได้คิดถึงป่าช้าอยู่เสมอก็เป็นเครื่องเตือนสติเราไม่ให้ประมาทนอนใจแม้จะมีความขี้เกียจขี้ข้านในการมําเป็นผล ง, งามความดีมีทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่เราก็จะได้เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเพราะป่าช้าเตือนอยู่นีความตายเตือนอยู่ในตัวของเราวันหนึ่งแน่นอนเราจะต้องตายจะอยู่ค้าฟ้าค้าแผ่นดินไปที่ไหนได้โลกไม่เคยมีใครที่จะอยู่ได้อย่างนั้น เราจะเป็นคนเหนือโลกเหนือทุงสารมาจากที่ไหนซึ่งมีขันเท่าเท่ากันเป็นธาตุเป็นขันเท่าเท่ากันมีความสุขความทุกข์เช่นเดียวกับโลกทั่วไปแล้วจะเหนือโลกไปโดยไม่ต้องมีป่าช้าไปจันตัวได้อย่างไรเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความสะดุกใจยับยัง้ตงตนเองได้และสร้างผลงานความดีเพื่อชะาน่างสิ่งสพรุทั้งหลายเพราะความดีย่อมสามารถชำระ ล้างความไม่ดีได้หากเป็นของทาละล้างกันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงล้วนแล้วตั้งแต่ผู้เกิดในถ้ากลางแห่งความไม่ดีแห่งความโสกโปกโสมมด้วยกันเหตุใดท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดไปได้ก็เพราะอํานาจแห่งน้ําที่สะอาดคือศีลธรรมที่เคยบําเพ็ญมาโดยลาดับนั่นแหละเป็นเครื่องชานล้างสิ่งที่สกโปกทั้งหลายให้หมดไปหมดไปจนกระทั่งหมด จนไม่มีอะไรหรือวแล้วก็ผ่านไปได้น่ะโลกนี้เกิดมาต้องมีการทําดีทําชั่วทําบุญทําบาลด้วยกันเพราะอํานาจของกิเลสเป็นผู้บงการทําไมจะไม่ทํามันต้องทําแต่เมื่อรู้รู้สึกตัวแล้วก็พยายามแก้ไขทําละล้า ง, างออกไปโดยลําดับอยกาประหม่ า, อมานอนใจก่อนแล้วกันมีวันหนึ่งที่เราจะถึงแดนที่สุดพิมุติพเนพัน ได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยอํานาจแห่งกุศลที่สร้างมานี้เพราะกุศล ค, าคําว่ากุศลหรือคุณงามความดีนี้ถ้าคนให้ได้รับความสุขความสําดานบานใจตลอดถึงการข้ามโลกการมุงสารถึงเรื่อยานได้จํานวนมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยลดคุณภาพของตนลงเลย <S <S ล<ะ>เหตุไรเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมคือคุณงามความดีเช่นเดียวกันกับท่านผู้เคยบำเพ็ญมาแล้ว แล้วจะไม่สําเร็จประโยชน์อันใดเป็นไปได้อย่างไรเพราะหลักเหตผลคือความถูกต้องดีงามก็ยอมยอมรับหรือยืนยันกันอีูแล้วว่าความดีเท่านั้นที่จะชนะความชั่วด้เนี่ยบุญเท่านั้นที่ที่จะชนะบาปได้ความสะอาดเท่านั้นที่จะชำระสิ่งโสโปรกได้เช่นน้ําอัดน้ำำําทําหรืำยุบ ง, งามความดีเป็นสิ่งที่สะอาดสวยงามสามารถที่ชําระล้างได้ ในบรรดาสิ่งสโครกทั้งหลายอพระพุทธเจ้าก็เกิดเกิดมาในท่ามกลางแห่งความผิดสาวกท่านก็เกิดในท่ามกลางแห่งความผิดเพราะกิเลสไม่เคยเคยเป็นของถูกมีแต่มีแต่ความผิดทั้งนั้นเต็มตัวของมันจึงเรียกวิกิเลสมีมากมีน้อยกท็ทําพิษทำภัยให้แก่จักรโลกเป็มากนักมากน้อยเท่านั้นท่านทําไมท่านยังชำระได้นา ของดีชํานลักของชั่วมาได้หาก็หาคนดีไม่ได้ในโลกนี้หาผู้บริสุทธิ์หมดจบไม่ได้นี่ก็เพราะการแก้กันได้เองเช่นเดียวกับยาแก้โรครักษาโรคหายนอกจากเป็นโรคชาลานิโรคไม่ฟังยามันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนั้นเรายกไว้เสียแต่สาหรับธรรมนี่เมื่อผู้นำมาเึืปฏิบัติแล้วจะไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากจิตจะไม่ยอมรับธรรมคือความถูกต้องดีงามเลยนั้นก็ช่วยไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดมันช่วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะโรคไม่รับยาจิตใจไม่รับสีรับธรรมแล้วจะไปเอาชนะบาปกามได้อย่างไรเมื่อรับอยู่ก็มีทางแก้ได้ เราทําเอาด้วยตัวของเราเองที่เห็นกันอย่างชัดๆนี่แหละมันประจักษ์แน่ใจมีอะไรเราก็ถามเกีเพราะการทํากุศลมีได้หลายด้านหลายทางทานก็เป็นกุศลศีลก็เป็นกุศลอบรม จ, จิตใจเรียกว่าภาวนาก็เป็นกุศลทั้งสามอย่างนี้อยู่ในวิสัยของเราที่จะทําได้ด้วยกัน แล้วเกิดได้ด้วยกันไม่เลือกเพศวัยชาติชั้นวันนะทำได้โดยกันเกิดได้โดยกัรดีได้้วยกั น, กนสุขได้โดยกันพ้นได้โดยกันธรรมะคำนงสอนทั้งผู้รูเจ้าไม่ลําเอียงต่อผู้ใดต่อสิ่งใดมีความแน่วแน่จงความจริงเสมอไปพยายามตัดแปลงแก้ไขเรา หักห้ามจิตใจเราจิตใจที่มีเกิเล็ไม่ว่าจิตของใครมักจะผ่าพ้นไปทางไม่ดีอยู่เสมอแต่ทำเป็นเครื่องหักห้ามนี่คือสติกับปัญญาให้นำมาแก้ไขามาหักห้ามสิ่งเหล่านั้นจะยับยั้งได้ด้วยการหักหักห้ามด้วยสติปัญญาสติปัญญานี่แหละ เป็นตัวการสําคัญที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้นี่ก็อยู่ในองค์มากจะวางไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปก็หมายถึงปัญญาสัมมาสติเนี่ยก็อยู่ในองค์มากเหมือนกันนี่แหละเครื่องแก้สิ่งพยุติภายในจิตใจของเราค่อยๆหมดไปหมดไปหัเรื่องตายเกิดแล้วตายแล้วเกิดนั่นแ่ะ แม้จะสงสัยเท่าไรก็ตามเรื่องเกิดเกิดร้อยเปรเซ็นต์พร้อมที่จะเกิดเพ่าะมีเชื่อที่จะให้เกิดอย่างสมบูรณ์ภายในใจคําที่ว่าตายแล้วศูนย์นั่นมันเป็นคําโมฆะของบุรุษสตรีที่ไม่เชื่อความจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วตามหลักความจริงเท่านั้นมันเป็นความคาดหมายความร้นเดาของกิเลสที่พาให้เป็นอย่างนั้น หรกิเลสพาให้ซ้ำคัญกิเลสพาให้ดุ้นเดาความมืดมนอนตะการพาให้พูดพาให้เข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นตายแล้วเกิดเมื่อเราเรียนพวออกมามีความสงสัยจังหวัดตายแล้วศูนย์เขาอยากจะพูดธรรมะแต่เราก็ตอนนั้นเราปิดสถานีซะแล้วเขาถามเราก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรละ ไม่ทราบเขามากับใครคนลุกระยะอาจารย์จิตนามาแเราก็เป็นแตเพียงว่าพูดย่อๆให้เขานำไปคิดว่าเมื่อตายแล้วศูนย์แล้วไม่มีอะไรอีกแล้วเอาอะไรมาเกิดเนี่ยเมื่ออะไรอไรก็ศูนย์ไปหมดแล้วมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอามาจากของมีอยู่นะเช่นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือน สิ่งที่จะนํามาปลูกบ้านปลูกเรือนไม่มีเราจะเอาอะไรมาปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้เช่นเราจะสร้างเรือนไม้ไม้ไม่มีเราจะเอาอะไรมาสร้างให้เป็นเรือนไม้ขึ้นมาเรือนอีกเรือนปูนปูนไม่มีอิดไม่มีหินไม่มีทรายไม่มีเหล็กไม่มีเราจะเอาอะไรมาปลูกเป็นตึกด้วยเหล็กด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายเราเอามาจากความมีอยู่ทั้งนั้นที่มาปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนดังเห็นกันอย่างชัดชัด มีร่างกายที่ปรากฏอยู่นี้ก็เอามาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟแล้วผู้ที่มาครองร่างกายก็คือจิตจิตไม่มีเอาอะไรมาครองร่างถ้ามันสูญไปจริงแล้วมันเอาอะไรมาครองร่างเอาความแยกให้ฟังเปียนเท่านั้นถ้าเอามาจากของมีอยู่ทั้งนั้นถ้าของสูญไปแล้วจะเอาอะไรมาเกิดอะไรมันก็สูญแล้ว อ, อะไรมาเกิดเมื่อไม่เอามาจากของมีอยู่ แล้วพูดเพียงแค่นี้ไม่พูดมากยิ่งกว่านั้นเพราะตอนนั้นก็ปิดสถานีแล้วมันเหนื่อยที่จะพูดต่อไปแต่เขามีโอกาสตอนเย็นเขาก็จะมาเราทุกจะได้พูดให้ฟังเต็มเม็ดเต็มอันแต่พอดีเขาไม่มีเวลาเขาจะไปอะไรไปทางพิพิธภัณฑ์มาก็เป็นนั้น ไ, ได้ฟังเท่านั้น หลักของความเกิดความตายต้องพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ไม่ได้รู้ด้วยการล่ดนดาวคาดขะเนรู้ด้วยการปฏิบัติจนเข้าใจจริงในความจริงที่มีอยู่นั้นแล้วนํามาสอนโลกเราต่างคนก็เป็นผู้ครองเรื่องความเกิดความตายเรื่องความเกิดความตายครอบหัวใจอยู่ทำไมจะไปะชะแช่แผลไปทางไม่ใช่ทางเส้นตายต้องสูง ผู้ที่ว่าศูนย์นั่นแหละมันมาตายมาเกิดอยูุ่คนี้จะเป็นผู้ใดนอกจากผู้นั้น่ะมตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์อะไรผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์น่ะผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละคือผู้ไม่ศูนย์ได้แก่ผู้เป็นนักท่องเที่ยวผู้เกยผู้ตายมองก็ตั้งแต่ข้างหน้าไม่ย้อนหลังมามองดูผู้ที่พามว่านี่ผู้ที่ว่านคือใครคืออะไรทั้งนี้สาเหตุมเหตุผลยังไงมันจึงว่าอย่างนั้น ตัวมันเองมันไม่ศูนย์มันหาเรื่องอะไรว่าศูนย์มันก็หลอกเราอีกมันจะศูนย์ไปไหนเมื่อมันอยู่ในกฎที่จะต้องเกิดอยู่แล้วมันหาความศูนย์ไม่ได้หรือมีกฎมันอยู่ในกฎแห่งความมีอยู่มันจะศูนย์ไปไหนการปฏิบัติทางด้านจิตทานั้นเราจะทราบเรื่องความเกี่ยวยงของจิต แม้ตังแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและจะสืบต่ออนาคตเป็นไปเพราะสาเหตุอะไรเป็นมาเพราะสาเหตุอะไรมันก็บอกอยู่พายนจิตพอจำร่าจิตเข้าไปได้มากน้อยก็เข้าใจคือตัดสะพานกันเข้ามาเข้ามาเข้ามาอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เข้าใจว่าไปจากอันนี้อนาคตที่จะเอื้อมไปอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้นี้ที่ยังไม่เข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจที่ไหนก็ตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนกรทั่งเข้าในสู่ดวงปัจจุบัน ระหว่างขันกับจิตก็ตัดกันออกจิตกับกิเลสกันหาสารพิสัยอยู่ภายในจิตนั่นจริงๆนั่นก็ตัดกันออกทำลายกันออกหมดจนไม่มีอะไรเป็นชิ้นสืบน้อยชิ้นใหญ่สืบต่อกันนันก็หมดตัดขาดตัดสะพานแห่งความเกิดตายได้ที่จิตเมื่อได้แล้วมันศูนไหม้ที่นี่นี่ยมันตัดหมดแล้วมันไม่ต้องปเกิดแล้วมันสูนไหมย ผู้ที่รู้ว่าไม่ต้องไปเกิดนั้นมันจะสูญได้ยังไงมันรู้อยู่ชัดๆยิ่งรู้ยิ่งเด่นเนี่จ้าอะไรสูญท่นี่ธาตุสีดินน้ำมันไปที่จะไหลไปจากตัวเองนี้มันก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาผู้ที่รู้อยู่นี้มันสูญไปไหนยิ่งรู้ชัดนงเจ้อะไรมาสูญคําสูญก็เป็นคําพูดเฉยๆไม่ใช่ความจริงมันรู้ชัดๆนานเอาให้ถึงตัวจริงด้วยการปฏิบัติมันรู้ได้ชัดๆอย่างนี้ ใครจะว่าอะไรก็ตามไม่สนใจเมื่อรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองแล้วไม่คาดจะไปหิ้วหวยกับใครความจริงมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดยุวันนั่งคำํำขอจะตายเลยมันจะเกิดวันนั่งคําไม่มีทางอื่นจะสูญไปไหนไหนว่าคิดเอาอคาดเอาอือผู้ที่มันเกิดมันตายนั่นแหละมันหลอก ให้พิสูจน์จริงอะไนี้มีอยู่กับตัวของเราทุกคนถ้าเราเชื่อแล้วว่าตายตายแล้วเกิดมันก็ค่อนไม่ควา ม, มีปัญหาอะไรเราตัสร้างความดีเข้าไปเป็นความสุขความเจริญของตัเองในภพนั้นๆผู้นั้นก็คือว่าสุขโตไปดีอยู่ดีเกิดในภพใดชาติใดก็มีความสุขความเจริญความผาสุขเย็นใจเพราะบุญเป็นเครื่อง เือถูเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความสุกความสบายธโมหเวรัคติธรรมจาริผู้ปฏิบัติพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติทมให้ตกไปในที่ชั่วแน่ท่านก็บอกไว้แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเองเป็นผู้แสดงจะเป็นยังไงต่อีกนห้พากันนั่งโมทิปฏิบัติการแสดงธรรมอเงสายเรจะติเกรงนี้